ถ้าจะเปรียบเทียบกับใบไม้ก็เหมือนใบไม้อยู่ในกํา ม, มือเพียงกำเดียวแต่ใบไม้อยู่ในจักรวาลมีมากนี้ก็เหมือนกันทำคําสอนของเราที่จะนํามาบอกกล่าวให้แก่พุทธบริษัทสี่นั้นเพียงใบไม้อยู่ในกํา ม, มือเท่านั้นแต่ที่เรารู้วิชาต่างๆวิชาทางโลกมากมาย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 แต่พรก็ได้เจ้าท่านภาวนาเหมือนกันท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกที่โคลนต้นโพแต่หลวงปูมั่นสายคูบ า, าจานของเราที่หยุดยุคจุดท้ายภายหลังท่านบอกว่าหายใจเข้าอวรบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโธให้ยึดพุทธโธนะถาวัดกําหนดเฉยๆทาให้หลุดได้ง่ายแต่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 เราจะบริกรรมบัดนี้ต่อไปเราจะบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถเราเวลาเราเดินเราจะขาขวาพุทธขาซ้ายโถเวลาเราปัดกวาดเราจะเวียงขวาพุทเหวียงซ้ายโถเราฉันเราอาบน้ำํำเราที่ไหนก็ตามเราจะมีความรู้สึกในกายของเราอยู่ตลอดเราจะไม่ให้เผลอจะไม่ให้หลงในกายให้อยู่จิติอยู่กับกายของเราตลอด